พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสี่ลำดับที่สิบเจดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ส1บอธันวาคม2 5นห้ารมีชื่อเรื่องว่าแบ่งอยู่แบ่งกินด้วยศีลธรรมอันดับแรกนะ เมื่อเราราธนาศินแล้วนะหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาว่านโ ม, มตัสนะกล่าววันนํานแล้วโมตัสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะความแปลและความหมายว่าข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความแปลของนมโมถึงสามจบนะทำไมยึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าศินที่เราจะรับเนี่ย ที่เราจะสมทานศินห้าเนี่ยเป็นความรู้ความคิดของใครเป็นความรู้ของใครที่บัญญัติเรื่องศินคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็บัญญัติเรื่องสินพวกเราก็รู้คุณค่าของศินในเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเราก็กันกรองไตรตรองว่าศิลของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะนั้นคนโบราณ ปู่ย่าตายายบรรพชนของพวกเราท่านกา็กานกรองไตรทองแล้วว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้านํามาประพฤติปฏิบัติในชุมชนในกลุ่มของพวกเรากลุ่มของพวกเราก็จะไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็จะมีความสงบร่อมเย็นเป็นสุขจะไม่มีพิษภัยอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นคนโบราณปู่ย่าตา ย, ายายของพวกเราท่านยังถือกันมาเพราะถือกันมามาถึงพวกเรา เราก็ถือไปแต่ว่าความหมายเรือว่าจุดมุ่งหมายนั้นเราไม่ได้ศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวในจุดนี้เพราะนั้นเรื่องพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะนี่นว่าก่อนที่เราจะนำมาประพฤติธปฏิบัติต้น ต, ต้นความคิดต้นความที่บัญญัติไว้เราจึงได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนนะพอเราจะนำธรรมคำสอนของท่านมาปฏิบัติเราต้อง ย่อจกย่องหรือว่ากราบคารวะต่อผู้ต่อความคิดตนความคิดก่อนจึงเราจึงกล่าวนะโมนะโมตัดสะข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นก็พุทธังสระนังขจามิทำมังสังขังสระนังขจามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นารนะเป็นที่พึ่งพระพุทธคือพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ลูกหลานได้ฟังธรมมังก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสารังค์งคือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่มาถึงพวกเราถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาพวกเราก็ไม่รู้ว่าพระธรรมคําสอนของหมดในยุคสมัยนั้น แต่นี้พระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาบอกกล่าวพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็อื้เป็นพระธรรมที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าเป็นจรณะเป็นที่พึ่งและพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจรณะเป็นที่พึ่งและก็พระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีบุญคุณอ่อ พระศาสนาให้ถือเป็นบุญคุณนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุญคุณจากนั้นยืนยันไปครั้งที่สองดุติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังสระนังคัตชามิยืนยันอีกเป็นครั้งที่สามตะติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังสระนังคัตฉามิข้าไปเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สามจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรนเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิน ปาณาติปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าองดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นสมมติเราเราอยู่ด้วยกันเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงสาคัาญาตของเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราล่ะเราเสียใจไปเราก็เสียใจ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันการฆ่าการการเบียดเบียนกันมันเป็นเครื่องจะเถื่อนใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันอย่าฆ่ากันนะแต่อยู่ด้วยกันถ้าคิดฆ่ากันแล้วจะหาความสงบร่มนเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนในสังคมนั้ น, น, นอันนี้คือสิลข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองอธินาทานาเวรามาณี อย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขานะถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไถ่เขาก็เสียใจถ้าเราเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจถ้าเราไปขโมยของที่เขารักสงวนหวงแหนอย่างรถอย่างราอย่างสิ่งของอะไรก็ตามเงินคำทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามที่เราที่เขามีเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจ ถ้าเมื่อเมาเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าขโมยกันเน้อต่างคนต่างมีต่างคนต่างเค า, คารพสิทธิ์จึงกันละกันอันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิทสายาราเว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขารักสงวนห่วงแหนของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเขามาล่วงล้ำสามีของเราภรรยาของเราลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกยังไงเสียใจ ถ้าเราไปล่วงล้ำของเขาเขาก็เสียใจเพราะต่างคนก็ต่างมีสามีภรรยาเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละคือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามะนีอย่าไปขโมยอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาศินข้อที่สี่มุสาวานไม่ให้โกหกไม่ให้ต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจ สมมติว่าเงินเราไม่มีในบัญชนะีเราไปเขียนเช็คให้เขาเสียนเช็คแดงให้เขานะเขาก็เสียใจยเมื่อเขาเอา เ, อาเงินบันเอาเช็คขึ้นไปขึ้นบัญชีไม่ได้เงินแต่ถ้าเป็นของเราล่ะเขาทําให้กับเราล่ะเราเสียใจไหม இ? เราก็เสียใจยเช่นเดียวกันถ้าเราไป children, เอาก้อนหินเขียวๆไปนี่แหละเหล็กไหลไปขายเป็นหมื่นเป็นแสนพอไปดูแล้วเป็นเหล็ก เ, เ, ปเป็นก้อนหินเราเสียใจไหม seperti? เขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจ ถ้าเราไปทําให้คนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะไปตอกหลอกลวงต้มตุนหลอกลวงเขาไปย้อมแต่กลัวขายว่าเป็นทองคํำอย่างนีนนล้วนแล้วจะโกหกหลอกลวงต้มตุนเพราะฉะนั้นการโกหกกันไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันก็เถอะนะถ้าคนใดก็ตามต้มตุนหลอกลวงโกหกตอแหลหาความสัตย์จริงไม่ได้คนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วใน 2, เมื่อสองพันหอยห้าปี ท่านตอ บ, บอกว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกเราฟังเอาไว้คนที่ชอบโกหกหาความสัรจริงไม่ได้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือสี่ข้อที่สี่สรุปแล้วที่หลวงพ่อได้โพดให้ฟังตั้งแต่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4นี่นะเขาเราเขาเราให้พวกเราสังเกตดูนะ ถ้เมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขาเราเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเพราะฉนั้นให้เคารพต่างคนต่างเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนั่นแหละจะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือศินสี่ข้อแล้วสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ตามไม่จริงการดื่มสุราเราก็เอาเงินจากกระเป๋าของเราไปซื้อนะไปซื้อเหล้ามากิน แต่มากินแล้วก็ไม่เป็นไรแต่พอกินแล้วไปอารวาสขับรถไปเฉียวไปชนไปอารวาสคนอื่นเขาเนะี่ยมันน่ากลัวนะ เ, เพราะว่าดื่มสุราคือเหล้ า, าสุราเมรยะเมเมไลสุราคือเหล้าเมไลคือเบียกนะกินเหล้ากินเบียราจากนั้นกัคันชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคน มีมากมายทุกวันนี้ยาบ้าเถ้าดื่มจะเป็นประเภทใดก็ตามจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามถ้าเราเสพแร้วดื่มเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างศิลค้าที่หึงก็ขาดเพราะคนขาดสติทําได้ฆ่าใครก็ได้เพราะขาดสติจะขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติจระลาลาบละล้วงในสามีภรรย า, าใครก็ได้ พราะมันขาดทติจะโกหกใครก็ได้เพราะขาดชติสินข้อที่ห้าเนี่ยอย่าไปถือว่าเป็นศินเล็กน้อยนะเป็นศินหลังคาหลังคาบ้านอย่างพวกเราตั้งอยู่ที่นี่แหละต้องมีหลังคาใช่ไหมศาลาต้องมีหลังคาฝนตกออกมาก็มีหลังคากันถ้าแดดออกมาก็มีหลังคากันพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้รับความร่มเย็นเป็นจุกนี่ก็เหมือนกัน คนเราเนี่ยถ้าขาดจิตเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหนล่ํารวยขนาดไหนเป็นที่เชื่อถือขนาดไหนคนนั้นก็หมดขุนค่าเพื่ออะไรเพราะขาดจิตนะเพราะนั้นเรื่องขาดจิตไม่เป็นผลดีนะคณะศเจ้าายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ฟังเอาไว้จริงไหมในเมื่อหลวงพ่อพได้พูดให้ฟังเลยจริงไหมพวกเรากันตรองไตรตองอีกทีนึงเพราะพวกเราใน ทุกคนที่มาที่นีนะ่เป็นชั้นปัญญาชนทั้งนั้นอย่างน้อยก็ปริญญาตรีละนะเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนฟังดูีิว่าที่หลวงพ่ออ้างเหตุผลให้พวกเราฟังนี่มีเหตุผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนฟังขึ้นไหมนะให้พวกเราให้ฟังดูนะต่อเ น, นี้ไปเมื่อพวกเรารู้คุณค่าของศีลแล้วนะหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศีนลในทนีนะว่าตาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะเนปุติงยันติตัตมะสีลังวิโสธาเยนักเรียนแพทย์รุ่นที่ยี่แปดใช่ไมไอ้โรงเรียนโรงเรียนป่าไมา้โร ง, งเรียนป่าไมาเออมาืม่อต้นปีป่าไมา้ก็มาปลูกป่าช่วยโอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คุณไยติง <c oughs> พัญญาของท่านชุวัดลิ้มปตพันลบที่ที่ท่านพันมาดมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อพาลูกท่านลูกชายท่านบวชอยู่ที่วัดบวรคุณหลวงนะชื่อหลวงนะบวชที่วัดบวรบวชเสร็จแล้วท่านก็เลยมามาอยู่ที่วัดหลวงพ่อพระจํ า, ลลล า, า ว, วัดหลวงพ่อแม่ก็เลยมาอยู่ด้วยไงพอมาอยู่ด้วยตอนก็เห็นหลวงพ่อ ที่จะปลูกป่าหากล้าไม้ยากเออเอาที่ไหนท่างเอดิฉันก็เคยเนี่ยนะเคยอยู่กับปลูกป่าไม้อยู่ท่านหลวพ่อเด็ดเด็ดแล้วิฉันจะพูดกับพวกรุ่นน้องๆดูาห อ, อ, อ, อท่านก็เลยได้ประสานสชำพันธ์ก็ได้ได้ไ ด, ได้ป่าไม้ได้มาปลูกเนะี่ยทั้งหมด30 30กว่าไร่นะเออสามสิบเกือบสี่สิบแต่ว่าเมื่อกี้ในน้ำท่วมเออพอน้ำท่วมป่าไม้ด้วยทั้งนักเรียน จากอุดอนด้วยมาปลูกให้มันมันมันที่มันลาบไปใช่ไหมแล้วก็พยายามปลูก ต, ตั้งขึ้นตายแล้วก็มีจำนวนให้กันเป็นเดียวๆวคงจะออกปีหน้านะครับถ้ามันต้นไหนมันตายก็คงจะสลับอีกเออหฝนมาซะ ก, ก่อนปีนี้เอาไว้ก่อนแต่ก็ปลูกขึ้นมาแต่ก็ตายไม่ไม่มากเท่าไหร่นะนี่แหละที่วัดของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ข้างในพันสามร้ห้าสิบไร่ อ, อแล้วก็นี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดไม้ไม้สักไม้สักมากป่าไม้เ อ, อป่าไม้ทําทองป่าไม้ถาวรเออนั่นนะ่ะอนโอ้นั่นนะะ่ะเออสีท่านขนมาให้แล้วกนอนสมัยนั้นก็เป็นท่านเฉลิฐจะทําให้อีสานเขียวเ อ, อท่านขนผลไม้สักมาจากเมืองเหนือนะมามาแถวบุรเนี่ย์พอขนมาแล้วทีนี้ ทางนี้เขาก็โปรโมทรับบอกว่าถ้าปลูกไม้ยางก็ดีไม้ศักดิ์กดีในที่ของใครที่คนนั้นจะเป็นของหลวงจะนี่ไม่มีใครปลูกจะนี่หลวงพ่อก็ไม่เป็นไรเอามาปลูกที่วัดวะวัดของเรามันเอวัดของเรามันเป็นของหลวงอยู่แล้วเนี่ยเอามาปลูกทีนี่เนีก็เลยขนมาจะนี่ขนมาปลูกโอ้เป็นไรหมื่นไรแสนว่างั้นเถอะปลูกเนี่ยปลูกแบบเอไม่หลับหูหลับตาเลยลราขนมาเลยปลูกหมดม่างั้นเถอะปลูก ซับสลับเข้าไปในป่าเนะเพราะฉะนั้นป่าไม้ของหลวงพ่อเนี่ยก็เลยต้นเดียวเนี่ยทาเป็นเสาสลาได้แล้วนะไม้สักนะเพราะันเป็นเป็นแสนนี่ละมั้งกันมากทีเดียวเลยไม้สักนะเออแต่ทีแร้เขาก็ถามท่านไม้สักของท่านเนี่เป็นไม้สักทองหรือไม้สักขี้ควายเขาวางนันนะโอ้ยก็าไม่รู้จักแล้วอะเขามาให้ปลูกกระปลูกเ อ, อตามที่เขาเอามาให้ปลูกเนะ่ะไม่รู้สักขี้ควายหรือสักทอง เราก็เลยถามป่าไม้ทําทองป่าไม้ถาบอลเออป่าไม้วะเขาถามว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อจะตอบเขาว่าไงเลยบอกเขาเลยป่าไม้ไ อ, อ้ไม้สักไม้สักทองเอ้าทําไมจึงตอบง่ายๆอย่างนั้นล่ะป่าไม้วะคือป่าไม้ป่าไ อ, อ้ไม้สักทองกับไม้สักขี้ควายมันแยกไม่ออกที่จังหวัดแพร่นักเรียนเขาแยกไม่ออกถ้าหากว่าไม้สักต้นไหนไปปลูกในที่มันงาม มันที่ร่มร่มมันจะเกิดพุทธพาดขึ้นมาเโดยมากจะเป็นไม้สักขี้ควายเนื้อมันจะยุ่ยเอถ้าไมไปปลูกที่ไหนที่ต้นแกนแกลนเนื้ออาหารหาปัญหายาก่ๆต้นน้ํามันจะเป็นไม้สักทองเพราะฉนั้นแถวของไม้สักทองทั้งหมดแล้วฮะแรงจะเป็นไม้สักทองเออเออนั่นแหละหลวงหลวงพ่อก็เลยใครถ่ายถามหลวงพ่อกขาเลยบอกว่า หลวงพ่อไม่สักทองไม่สักขี้ควายโอ้ยสักท้องเอ้าพอพอต้นมันตายนะ่นี่ะที่มันตายเต้นใหญ่ๆเอามาทาก็มาเนี่เหลืองอ้อยทุกต้นเลยนะ <c oughs> เป็นสักทองทั้งหมดอย่างที่ว่าจริงๆนะเพราะมันอยู่ที่กันดานนะเอออย่างที่ป่าไม้ที่ท่านให้ความคิดเห็นจริงๆนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังนะคะ่ะนักตัา ย, ยาโยมลูกหลาน วันนี้เป็นวันที่11อธันวาคมพุทธศักราช 2,559 วันนี้หลวงพ่อได้เห็นลูกหลานองคงจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งเป็นนักศึกษาด้วยกำลังนี่ที่มาเนี่หรือเป็นรุ่นพี่พี่น้องๆหรือรุ่มกลุ่มทำงานโรงเรียนแพร์วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยป่าไม้แพ ร, แพรแพเลยเนะเาปะป่าไม้แพร รุ่นที่28่ที่มาสู่วัดหลวงพอ่อแล้วก็พร้อมกันได้ถวายผ้าป่าและก็ถวายทุนเพื่อสมทบในการซ่อมแซมที่วัดหลวงพอ่อถูกน้ำท่วมอุตกระภัยเสียหายพ่อชุมควรอาณาจัา ญ, ญายาโยมโลูกหลานน้ำท่วมเมื่อวันที่8วันที่8ที่9พฤศจิกาแต่วันวันที่14เนี่ย เป็นวันเดือน12เพนปีนี้มันผิดปกติตามปกตินะ่าออกพรรษาเดือนเดือน11เพนเนี่ยมันจะหมดฝนแล้วนะแต่ปีนี้มันทําไมเออมันลากมาจนถึงเดือน12เพนเกือบเดือนหนึ่งแหละน้ําก็เลยแบบมาแบบไม่มีปีมีคุยฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่เออฝนตกตั้ง117มิลลิเมตรเขาว่างี้ยนะ เ, เออเออนี่ยแหละ มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะ่ะฝนที่สูบน้ำก็เลยมาท่วมแบบกระทันหันขึ้นมาก็เลยมาท่วมวัดกองหลวงพอ่อกําแพงที่เนี่ยที่หลวงตามหาบัวที่ท่านมาสร้างล้อมรอบเนี่ยกำแพงของหลวงพอ่อทั้งหมด6กิโลกับเจ็ดรอกว่าเมตรนะแต่นี้มันพังไปร14เมตรหลวงพ่อให้พระนํำตลับเมตรไปวัดดูนะมันพังเท่าไหร่มันพังเนี่ยร้อยร้อยรอยเมตร และกัมันน้ำรุดมุดพื้นอีกน้ำมุดพื้นพร้อมที่จะพังอีกเ4เมตรและกะถนนในวัดมันขาดตัดขาด ท, ที่ที่น้ำมันกัดมาอย่างแรงช่องหนึ่ง37เมตรช่องหนึ่ง 27-28 เมตรแปลว่าความเสียหายในวัดของหลวงพ่อนี่มากไม่ได้คิดพวก ป่าไม้ที่มันโค่นมันล้มอะไรใหน่านั้นไม่ต้องพูดถึงแต่มันพูดถึงแต่ว่าทาวอที่เราล้มเสียหายแต่นี้ก็กำลังซ่อมแซมกันอยู่กำลังทําแต่อันดับแรกพอมันโค่นลงแล้วนะหลวงพ่อก็ให้พระเอาที่น่ะพวกไม้สักที่มันอยู่ที่ปลูกมันทีทีนะให้คลายเาว่าสะสางนั่นน่ะตัดตัดออกที่ต้นเล็กต้นน้อยมัน เอามาเป็นเสาปักๆๆๆแล้วก็เอาไม้ไผ่ทาตีเป็นราวแล้วก็เอาสังสีมากัน้นเพราอไม่ให้พวกเก้งพวกเก้งพวกหมูปา่าพวกเตา่าที่มันคานตุ่มเตียมออกไปออกไปข้างนอกนะหลวงพ่อกักกันไว้เลยรีบกันไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าหากวันเราไม่กันเอาไว้สัตว์หมูนี่จะออกไปถ้าออกไปเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ว่ากันออกไปไมันคานไปเขาหมอกเขาหมอกแกงเขาน่สิ พราชาวบ้านเขาจะเป็นทําเป็นอาหารนะเพราะนะั้นหลวงพ่อสงสารพวกสัตวนะ์ก็เลยจัดการในเรื่องนี้ก่อนก็เรียบร้อยหมดแล้วไม่มีปัญหา น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือน้ำท่วงของวัดของหลวงพ่อที่ลูกหลานเอาจะตุปัจจัยมานี่ก็ส่วนหนึ่งคงจะเป็นค่าบํารุงค่าดูแลค่าซ่อมแซมเสนาธนะที่มันพังถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคล วันหนึ่งที่ลูกหลานได้มาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจเห็นลูกหลานรุ่นน่มเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาแล้วก็พร้อมกันก็ให้พวกลูกหลานเป็นคนดีอย่างเมื่อวันที่9ก้าที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้แสดงไปแสดงธรรมนะที่สลากลางจังหวัดอุดรเขามีหัวข้อว่าต้านขอรับชั่นสากลปฏิพฤตินตนเป็นคนดีเดินตามพ่อ ในในเขาที่เขาขึ้นป้ายนะในที่ศาลากลางเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ไปพูดเรื่องเนี้ยเรื่องคอรับชั้นของประเทศหลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพ่อก็เลยยกคําพูดก็องค์หลวงตามหาบวัวท่านบอกว่า เ, เราเประเทศชาติเหมือนกับต้นไม้ที่หลวงพ่ออยู่ในป่าหลวงพ่อก็เลยยกต้นไม้เหมือนกันประเทศชาติเหมือนกับต้ น, ตนไม้ใหญ่ถ้าต้นไม้ใหญ่ ถ้ามีธ่าต่างคนต่างดูดูแลรักษานะใส่น้ำใส่ปุ๋ยดูแลปลวกดูแลอะไรต้นไม้ต้นไม้นันก็มีแต่จะความเจริญงอกเงยออกดอกออกผลให้คนทั้งหลายได้อยู่ได้กินทั่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าต้นไม้นั้นมีแต่ร่วงมีแต่ตัวหนอนออมีแต่ปลวกมีแต่มดเจาะใส่ต้นไม้ตันนั้น ต้นไม้ต้นนั้นก็มีตะแกลนอย่างนั้นก็อับเฉาเพ้อเผลจะตายทั้งยืนเอาเพราะอะไรเพราะว่าตัวร่วงโตัวหนอนอตัวปวกตัวมดมันมาเกาะมากินมาชั ย, ยต้นไม้ต้นนั้นนี้ก็เหมือนกันประเทศชาติเหมือนกันกันกบต้นไม้ใหญ่แต่พวกเราประชากรทั้งหลาย60สกว่าล้านคนถ้าไม่ช่วยกันดูแลทนุบำรุงประเทศชาติ ประเทศชาติก็มีแต่ใครๆกขาบอมือไขยาวสาวได้สาวเอ า, เอาต่างคนก็ต่างว่าเป็นตัวเป็นผู้บุคคลฉลาดาต่างนั้นก็เหมือนกับปลวกเหมือนกับมดเหมือนกับตัวบุ่งตัวนอน เ, อาเจาะชัยต้นไม้ต้นไม้ตัวนั้นก็มีแต่แกลนถ้าไม่แกลนก็อับเฉาเพราะรอะไรเพราะว่าพวกเราไม่ให้การสนับสนุนไม่ให้การดูแลนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่หลวงพ่อที่พูดในสลากลางในวันนั้นและก็พร้อมกันขอให้พวกเราทุกคนที่มาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้ถามตัวเองที่ว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่เราได้เงินเดือนทั้งหมดเดือนเดือนละเท่าไหร่เป็นเงินของใครไม่ใช่เงินพอ่อเงินแม่ไม่ใช่เงิน วงสาคณญาติของเรานะเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่เขาเสียภาษีมาแล้วก็มาเป็นก้อนกระว่าจ้างพวกเราแล้วก็พวกเราก็มาทางานให้กับรัฐบาลให้พวกเราถามตนเองชื่อว่าพวกเราทางานเนี่ยคุ้มกับค่างเงินเขาไหมที่เราทางานเนี่ยเราทางานเดียวเนี่ยมันคุ้มกับค่างเงินเขาไหมแต่ละวันถ้าหากว่าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมให้ถามตนเองนะ ถ้าหากว่าคนอื่นถามเนี่ยเราก็อาจจะโมโหให้เขาถามว่าดูถูกเราให้ตัวเองถามตัวเองนะะั่นแหะเพราะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองพวกเราตัวของเราเองนะ่ะรู้กว่าใครทั้งหมดนี่นแหละเราเป็นข้าราชการต้องดูนะถ้าหาว่าพวกเราถามอย่างนี้พวกเราก็จะรู้จักความบกพร่องของตนเองว่าเราปฏิบัติต น, ตนอย่างไรง จ, งจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสม จึงจะสมควรกับเงินที่เขาเอามาให้เรานี่นะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะลูกหลานทุกคนเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเออแต่ก่อนเขาก็พูดออกมาว่ามีคุณอุปการต่อประเทศชาติอย่างไรท่านทำคุณให้กับประเทศชาติอย่างไรอันนี้พระ อ, องคอ์กอเออ ในข่าวนั้นในช่วงนั้นในเมื่อพระ อ, องค์ทรงพระชนอยู่ก็กิตติศัพท์ของพระ อ, องค์ก็ไม่ออกมามากแต่เมื่อพระ อ, องค์สวรรคตสวรรคารายไปแล้วเนี่ยสื่อต่างๆไม่ว่าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าโซเซียลไม่ว่าที่ไหนๆเขาก็ออกข่าวออกมาผลงานของพระ อ, องค์ท่านมากมายจนนับคาลนาหาประมาณไม่ได้จึงถามสี่พัน 3ามสี่พันกว่าโครงการหาได้ที่ไหนคนคนเดียวทำได้ถึงขนาดนั้นบพวกเราคิดดูสิท่า น, น, นเป็นพ่อที่ดีเป็นพ่อของประเทศชาติคล้ายๆวันนี้ท่านเป็นพ่อของประเทศสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเราท่านก็หาเข้ามามาพัฒนามาทาให้เป็นประเทศที่ไม่ด้อยกว่าใครไม่ต่ำกว่าใคร เนี่แหละสิ่งไหนที่เกิดเปิดประโยชน์ท่านกวาหามาเพื่อให้ลูกหลานประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราพิจารณาดูสิว่าในละแวะกรอบด้านประเทศไทยของเราเนี่เราเป็นด้อยกว่าใครเราไม่ด้อยกว่าใครนะเราเป็นเอกราชมาตั้งแต่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นกับเมืองขึ้นกับใครทำไมจึงไม่เป็นเมืองขึ้นกับใครเพราะเหตุใดเพราะพระเจ้าแผ่นดิน ยกองค์ก่อนท่านที่ท่านปกพ่องด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ตั้งแต่รอสีรอห้ามาเนะ่ที่มามีปัญหากับชาวต่างทางยุโรปเข้ามาปกครองทางทิศตะวันตกพมา่าอ่าสีหลังกามาเลสิงคโปร์อินโดฟิลิปปินแล้วเป็นยังไงเป็นเมืองขึ้นของใคร พวกเราก็รู้แก่ใจประเทศลาวขาเขมรเวียดนามนะเป็นเมืองขึ้นของใครเมืองไทยล่ะเป็นเมืองขึ้นของใครเมืองไทยเป็นอิสระไม่เป็นขึ้นเมืองขึ้นกับใครเป็นใครใครเป็นผู้ปกป้องในยุคสมัยนั้นนี่แหละเป็นต้นตระกูลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องกันมาเพราะนั้นท่านเป็นผู้มีปีชาสามารถที่รักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้พวกเรา มีสง่าราศีทุกวันนี้มีความสุขแต่พวกเราบางครั้งก็น่าเสียใจนะบางทีก็ทะเลาะวิวาทกันคนในชาติผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่เป็นผู้น้อยก้าวไายกันไม่เคารพซึ่งกันและกันผลที่สุดกนะ็ตัดจัดให้เป็นฝักเป็นฝ่ายอันนี้เหมือนกับเด็กเดก็เหมือนกับเด็กๆ็กทะเลาะกันมันไม่เป็นผลดีแต่ถึงยังไงพระบาทสงเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ออกมาเตือน พวกเธอทั้งหลายพวกท่านทะเลาะกันใครเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ชนะประเทศชาติเป็นผู้แพ้นะถ้าว่าพวกเธอทะเลาะกันใครเป็นผู้ชนะมันประเทศชาติเป็นผู้แพ้ทุกประตูเลยทำให้คนต่างชาติเขาไม่มาลงทุนทำให้คนต่างชาติเขามองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่ทะเลาะวิวาทกันไม่น่าเขามาเกี่ยวข้องไม่น่าเขามาเที่ยวไม่น่าเอาเงินมาลงทุน มันเสียประเทศชาตินะเพราะนั้นพวกเราคนในชาติต้องคิดนะอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นพ่อที่ดีท่านก็เตือนพระศกนนกรของพระองค์ให้อยู่ในความสงบให้รู้จักพี่น้องให้รักกันพี่น้องเออพึ่งพี่น้องต้องพึ่งพาอาศัยกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งนะมันจึงจะโนะูกเนี่ยเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันพวก โรงเรียนของเมืองเขาพวกเราก็เหมือนกันให้พวกเราพิทักษ์ป่ารักษาป่าก็ขอให้พวกเราเให้ช่วยช่วยกันนะประเทศชาติบ้านเมืองที่น้ำท่วมทลักเนี่ยก็กมีส่วนหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละที่ป่าดงพงภัยไม่มีต้นไม้ทาให้น้ำท่วมป่าไหลหลากทำให้เสียหายได้แต่ถือยังไงเราก็ต้องแบ่งปันคนในชาติมันเกิดขึ้นมาม า, มากแล้วจะทำยังไง จะการให้เป็นป่าทั้งหมดก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไปได้แล้วก็ต้องแบ่งแต่ถึงยังไงการแบ่งป่าไม้ออกไม้ไประชาชนได้ใช้แต่บางคนนายทุนที่มีเงินมากก็บุกถล่มป่ารงพงไผ่อันนั้นเราต้องกีดกันกีดกันพวกนายทุนพวกมือยาวแต่ท่ามาเป็นประชาชนชาวบ้านที่เขาทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ควรจะแบ่ง ให้เขาแต่ก็ต้องมีกฎกติกาในการดูแลว่าแบ่งให้ยังไงแบ่งให้แล้วรู้จักหารู้จักเก็บยังไงเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรถ้าหากว่าใช้ตามกฎระเบียบของในหลวงของเราที่ท่านประทานเอาไว้นะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ที่ดินมากที่ดินแปลงนี้ทำปลูกข้าวทำดินแปลงนี้ปลูกถั่วที่ดินแปลงนี้เลี้ยงสัตว์ที่ดินแปลงนี้ ท, ทาอะไร แบ่งเป็นส่วนๆไปเพียง15ไร่เท่านั้นก็เลี้ยงครอบครัวได้นี่แหละถ้าว่าพวกเร า, เารู้จักแบ่งปันกันพวกคนในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาแล้วมันต้องแบ่งกันนะเราจะให้ไปเอาไปประเทศไหนล่ะต้องอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยก็ต้องแบ่งกันใช้แบ่งกันดูแลแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินนี่แหละถ้าว่าพวกเราทุกๆท่านาที่คิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่นะ ประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราก็จะได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขแต่พร้อมกันก็อย่าลืมศนะีลธรรมนละลือศีลธรรมคําคนี้นะถ้าว่าพวกเราพวกเราอยู่ด้วยกัน ด, ด, ดูด้วยธรรมะด้วยอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมแล้วความสงบพร้อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าอยู่ด้วยทิฏฐิมานานะแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันใหญ่ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสัมมาคารวะ อันนั้นแปลว่าอยู่ด้วยกันแบบสัตว์สาลาสิงแบบสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันอันนั้นแปลว่ามีแต่ความเดือดร้อนวู่นวายทางอยู่ด้วยคัามด้วยกันด้วยคินคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ร, รยิยธรรมที่ดีแล้วนะมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะ เ, เพราะฉนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานกับคณะจตหาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีของประเทศชาติคิดดีทำดีพูดดี ถ้าสิ่งใดที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในเรื่องนั้นถ้าเราพูดออกไปมันเสียหายนะก่อนที่เราพูดเนะี่ยออกพูดออกไปนะี่ยคำพูดนั่นละ่ะเขาจับไปตีความผลเทสุกรถ้าเราพูดไม่ดีนะแต่ถ้าเราพูดดีอยู่แล้วเขาไปไปติดประต่อเอาคําหนึ่งมาใส่คําหนึ่งอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่เราพูดดีอยู่แล้วนะอะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็พูดดีเรื่องก็ทําก็ทําดี แล้วก็คิดก็คิดดีแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนในเรื่องความคิดนะความคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากในหลักของพุทธศาสนาท่าเราศึกษาในภาคส่วนลึกของพุทธศาสนาแล้วท่านเด้นเรื่องความคิดนะถ้าคิดไม่ดีการกระทําออกไปก็ไม่ดีการพูดออกไปก็ไม่ดีเพราะมันคิดไม่ดีถ้าเราคิดดีเป็นสติใจเป็นสัมมาทิฏฐิ ท่านเราพูดออกไปก็พูดมันก็ดีถ้าทำํำถ้าทําออกไปก็จะทําดีเพราะอะไรเพราะคิดดีเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสมาธิมีสมาธิคือถือตั้งใจมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองถ้ามีคนมีสติสัมปชัญญะเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้คิดดีหรือคิดชั่ว น, ะนี่แหละมันจะรู้ได้นะนี่นแหละหลักของพุทธศาสนาท่านสอนในแนวความคิดเมื่อคิดดีทดําดีพูดดีแล้ว กรรมดีจะให้ผลตนเองจะมีความสุขถ้าว่าพวกเราคิดชั่วทำชั่วคิดชั่วทำชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังท่านเรียกว่าอักตังดุกตังเส้ยโยปัจฉาตปฏิดุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าในเมื่อเราคิดชั่วทาชั่วกรรมชั่วจะให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะพวกเราฟังเอาไว้นะพวกเราทุกวันนี้เห็นไหมละ่ะเดี๋ยวกฎหมายบอกขึ้นมาผล น, นั้นเข้าคุกคนนั้นเข้าตารางเมื่อทำงานมาผลที่สุดทำงานมานมนานบนที่สุดปั้นปลายของชีวิตรางวันก็คือเข้าคุกนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเหตุใดเพราะมันหาทางออกไม่ได้แล้วทาผิดจริงๆนะเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามถ้ามันผิดแล้วอย่าท อย่าคิดอย่าพูดในสิ่งที่มันผิดนะถ้ามันทำผิดไปแล้วนะทจะทำตนให้เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานศรัทธาญาติโยมทุกๆคนนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พร